วันนี้พระยี่สิบสองนาคหนึ่งองค์ไปธุระอยู่ก็มีองค์ตายไปแล้วก็มีองค์ไปเที่ยวที่อื่นก็มีตายคือตายอะไรตายจากศาสนาเป็นฆราวาสมาตายไปแล้วคนตา ย, ยไม่ผังกับเผาะมีอยู่สองอย่างะนะวันนี้เป็นวัน พระเป็นวันสิ้นเดือนเป็นวันสิ้นปีเดือนสิบสองเพนเป็นวันลอยกระทงเป็นวันที่ถ้านับจันทรคติเป็นวันสิ้นปีสามฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนอันนี้แปลว่าสิ้นเขตฤดูฝนเขตกระถินถ้าใครจะทอดกระทินก็บว่าทอดได้วันนี้แล้วก็จบละเนี่ยว่าเป็นวันสิ้นปี ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็นับเป็นปีใหม่ในทางจันทรคติส่วนชุริยคติต้องวันที่หนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่สากลนะอันนี้เป็นวันในทางพุทธศาสนาเป็นวันสิ้นปีวันหนึ่งเพราะนั้นถ้าใครจะงบบัญชีตรวจตราดูตนเองก็ตรวจตราดูได้งบดูได้ว่า 12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตของเราขาดทุนกำไรอะไรบ้างทางทางบวกทางลบทางบวกเราได้ทำอะไรบ้างให้มีคุณค่าสำหรับตนเองและคนรอบข้างตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองตลอดถึงโลกเราได้ทำคุณประโยชน์อะไรไว้บ้างแล้วเราได้ทำความชั่วเสียหายอะไรเกิดขึ้นมาบ้างไอไันนี้ควรจะปิดงบได้แล้ว ควรจะทบทวนดูแล้วปีต่อไปเราจะทำอะไรบ้างที่จะให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ควรจะมีการทบทวนการทามาค้าขายถ้าว่าใครมีการทบทวนอยู่อย่างนั้นกิจการไม่มีวันที่จะถอยหลังมีแต่ความเจริญเพราะว่าเราจะได้ปิดรอยรั่วหรือปิดรูรั่วหรือปิดในสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่า น, านมา แต่ถ้าหากว่าพ่อค้ารายใดไม่มีการทบทวนในการทำมาหาเลี้ยงชีพในการทำมาค้าขายอย่างพ่อค้าคนนั้นถึงจะมีกำไรก็ไม่รู้ว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่ไม่มีหนทางที่จะก้าวไปเป็นพ่อค้าใหญ่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นะชีวิตของเราทุกคนทุกๆปีที่ผ่านมา เราก็ควรจะทบทวนการเป็นอยู่ของเราประปี2547เนี่ยเราได้ทำคุณประโยชน์ต่อตอนเองต่อประเทศชาติบ้านเมืองอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับตนเองนะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าว่าตนเองขาดตกบกพร่องตอนเองทำตัวไม่ดีถึงคนอื่นจะรุ่งเรือง ก็เป็นของคนอื่นไปพวกเราเคยขึ้นเครื่องบินไหม เ, เขาประกาศว่าเวลาเครื่องบินประสบบัติเหตุมีอะไรผิดปกติในตัวเครื่องบิน เ, เครื่องออกซิเจนจะตกลงมาจากเพดานท่านควรจะคอบจมูกให้ท่านก่อนเมื่อครอบจมูกให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจึงคอบให้ลูกหรือหลานหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านที่ท่านเขาคอบไม่เป็น อันนี้ก็แสดงว่าให้ช่วยตนเองก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นที่หลังถ้าว่าเราไปกลุ่มช่วยคนอื่นก่อนแล้วไปเอาคนอื่นก่อนเขาฟึ้หน้าฟึ้หลังตัวเองก็จใจขาดเขาก็ใจขาดได้ตายทั้งสองคนเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าที่ท่านสอนคนท่านสอนท่านก่อนท่านออกไปบวชท่านสอนท่านก่อนถึงหกปี แปลว่าไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรที่จะสอนอีกแล้วไม่มีอะไรที่จะประปับปรุงให้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วเป็นมาตรฐานแล้วคงที่แล้วจากนั้นท่านจึงก้าวออกมาสอนโลกอันนี้คือเป็นพุทธประเพณีที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกที่ท่านประพฤติปฏิบัติมา อันนี้พวกเราท่านทางหลายถึงจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ควรจะทบทวนดูตนเองว่าเราเกิดมาขนาดนี้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําอะไรไว้บ้างถ้าคิดไปมากมันก็จําไม่ได้ถ้าคิดเร็วๆเวนี่ยปีเนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้เราได้ทําคุณประโยชน์อะไรไว้บ้าง ทำสิ่งไหนบ้างที่ทำให้ใจของเราไม่สบายทําสิ่งไหนบ้างที่ใจเราเป็นกุศลอยากจะให้พวกเราทบทวนในการทำมาหาเลี้ยงชีพตลอดถึงความประพฤติของเราทุกด้านทั้งกายทางวา จ, จาและทางใจพ่อค้าวานิชถึงครบปีเขาจะต้องปิดงบถ้าพ่อค้าทำมากกว่านั้นเขาก็กลึ่งปีเขาจะต้องปิดงบทบทวน ครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังจะต้องทบทวนดูว่าขาดทุนกําไรอย่างไรแต่พวกเราถ้าว่าไม่มีการทบทวนในชีวิตของเราเสียเลยในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านควรจะทบทวนชีวิตของเราที่ผ่านมาปี2547นห้ี่ขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง ปี 2,548 ชีวิตของเรานะ่มันไม่ใช่จะหนุ่มไปหน้านะมันแก่ไปข้างหน้าเราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรตรงไหนที่มันเกินไปจุดไหนที่มันยังอ่อนตรงไหนมันยังไม่เหมาะสมเราควรจะปรับปรุงจุดนั้นให้ดีขึ้นอันนี้แปลว่าเป็นผู้ครควรทบทวนในชีวิตของตนเองเป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้คือ หลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนําท่านบอกอย่างนั้นเพราะชีวิตของคนเราทุกท่านจะยั่งยืนไปตลอดอนันตการนั้นเป็นไปไม่ได้เหมือนกับน้ําแมนน้าโขงไหลมาจากเมืองจีนไหลผ่านลงมาเรื่อยๆผ่านพมา่าผ่านลาวผ่านไทยผ่านขเขมร ผ่านเวียดนามผลที่สุดตกทะเลชีวิตของเราเหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเด็กเรียนหนังสือจากนั้นก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากนั้นก็มีครอบครัวจากนั้นก็เป็นพ่อแม่คนจากนั้นก็เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายคนผลที่สุดก็เป็นคนตายมรังเมภาวิสติเพราะนั้นระลึกถึงไว้อยู่เสมอถ้าว่าคิดได้อยู่อย่างนี้ เป็นผู้เตรียมพร้อมเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะนั้นวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนเป็นวันสิ้นปี 2,547 มาวันพุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่ในจันทรคติในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราให้ทบทวนเอาไว้นะแล้วก็วันนี้เป็นวันจะได้บวชพระสืบทอดพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อเองก็ได้ถามพระพี่เลี้ยงพระ ครูฝึกว่างั้นเถอะฝึกเอสาหังพระต่างก็ยืนยันว่าผู้ที่จะบวชพร้อมที่จะบวชได้เพราะได้ฝึกดูแล้วก็พูดได้การแสดงว่าแห่งผู้ที่เข้ามาบวชเป็นผู้เตรียมพร้อมพอสมควรอันนี้หลวงพ่อบูชาในน้ําใจทีเดียวเพราะว่าไม่ใช่ว่าคิดอยากจะบวชเข้ามาแล้วก็บวชปุบปับก็เลยโดยที่อะไรก็ไม่รู้ อันนี้ก็แสดงว่าได้เตรียมพร้อมพอสมควรแล้วจึงได้ก้าวเข้ามาที่จะรับว่าจะบวชได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะบวชหลวงพ่อจะไม่ให้บวชง่ายๆนะถ้าว่าไม่พร้อมนะเอสาหังให้พร้อมอะไรให้พร้อมไม่ใช่ว่าจะมา ป, ปรับมาจะบวชเลยไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นแปลว่าเหยียบย่าทาลายหลักของพุทธศาสนาเหยียบ ย่ำทำลายหลักธรรมวินัยเหยียบย่ำทำลายกฎระเบียบของพระพุทธศาสนาถ้าทุกคนต่างคนต่างเหยียบย่ำต่างคนต่างไม่รักษากฎพระพุทธศาสนาก็คงจะไม่ยืนยาวมาให้พวกเราได้กราบได้ไหว้ถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพวกเราที่จะยึดแนวแถวต่อไปภายภาคหน้าเราก็ควรจะยึดตามแนวแถวอย่าไปยึดส่วนบุคคลให้ยึดหลักการ ส่วนบุคคล น, นั้นต้องเดินเข้าไปหาหลักการต้องยึดในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้เพราะหลักพระธรรมวินัยนั้นเหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดพวกเราต้องปกป้องต้องช่วยกันดูแลเพื่อจะให้เป็นประโยชน์สําหรับอนุษชนรุ่นหลังได้อยู่ได้กินได้อาบได้ใช้ต่อไปแต่ทุกคนกระโดดตรงไปขยําเป็นขี้ตมขี้โคลนไปหมดแล้วน้ํานั้นจะได้ใช้ไปนานจากเท่าไหร่ อันนี้ก็เหมือนกันหลักของพุทธศาสนาถ้าหาว่าต่างคนต่างช่วยกันดูแลประคับประคองเหมือนกับบ่อน้ําที่ใสสะอาดก็จะได้ใช้ไปนานเท่านานแต่ถ้าหาว่าพวกเราลงไปควนซะเป็นตมเป็นโคลนซะก็หมดคนที่จะใช้ต่อไปภายภาคหน้าก็ขยะขแข็งเพราะพวกเราเองเป็นผู้ทําลายผู้อยู่ใกล้ชิดเองเป็นผู้ไม่รักษากฎระเบียบ เพราะนั้นเรื่องกฎระเบียบนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้อยู่ข้างในอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่ควรจะกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่หลวงพ่อเคยเคๆพูดแบบติดตลกบอกว่าขนาดเขาบวชฟักบวชแฟงบวชกล้วยน้ําว้าเขายัางเตรียมฟืนเตรียมกระทะเตรียมกะทิเตรียมน้ําตงน้ําตาลแต่เราบวชพระแท้ๆไง ไม่ให้เตรียมอะไรเลยเข้ามาบวชเอาเลยนะ่มันไม่ถูกน ะ, ะเพราะนั้นการบวชต้องเตรียมกายเตรียมใจสำหรับผู้ที่จะบวชญาตพี่น้องทางหลายที่เข้ามาบวชกต็ต้องเตรียมใจอีกเหมือนกันในระดับหนึ่งว่าการบวชของลูกหลานของเรานี่ทําอะไรการที่จะเอาลูกบวชในพุทธศาสนาต้องคิดดูให้ดี อ, อันนี้หลวงพ่อเคยว่ากาวตักเตือนญาติโยมพุทธบริษัทของพวกเรา บางคนพ่อแม่เอาไม่อยู่เอลูกนอกคอกเอาไม่อยู่เลยเอา้าเอาเข้ามาบวชพอเอาเข้ามาบวชมันก็ไม่ดีอย่างเก่าเพราะมันพ่อแม่เอาไม่อยู่แล้วอแต่ถ้าว่าลูกของเราเอออันนี้ดีตั้งอกตั้งใจดีหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นผู้ตั้งใจสนใจเรื่องพุทธศาสนาหรือว่าสนใจในแถวนแนวทางเป็นคนดี ถ้าหากว่าได้รับการอบรมขัดเกลาเข้าไปอีกก็คงจะเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นบุคคลดีในครอบครัวเป็นบุคคลดีในสังคมเป็นบุคคลดีในประเทศชาติเป็นบุคคลที่ดีของโลกได้อันนี้คือเราต้องเอาเข้าไปฝึกถ้าเอาคนดีเข้ามาฝึกในสิ่งที่ดีมันก็ยิ่งดีเพราะมันเสริมกันแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ดี เอาเข้ามามันก็เป็นขยะของวัดวาศาสน า, ศ า, ศาเป็นขยะของพุทธศาสน า, ศาเหมือนกับหม้อที่มันรั่วหม้อที่มันแตกของที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาโยนเข้ามาในวัดเป็นไงแปลว่าหมดสภาพแล้วเราคิดดูกันแล้วกันแต่ถ้าว่าเอาของดีมาใครๆก็ต้องการทั้งหมดเป็นที่การไหว้สักก า, ารบูชานี่แหละ เคยได้ยินประวัติศาสตร์ของเมืองจีนพระเจ้าแผ่นดินฮ่องเต้มีเจตนาดีพวกที่ติดคุกติดตารางมาแล้วไปจับเข้ามาบวชการบวชเมืองจีนบวชแล้วไม่ให้ศึกเนี่ยบวชแล้วแปลว่าบวชเลยศึกไม่ได้ตามกฎระเบียบของเขาพอบวชเข้ามาแล้วทํำยังไงไม่ได้ศึกมันไม่ได้บวชใจมันไม่ได้บวชบวชแต่กายเท่านั้นทีนี้พอบวชเข้ามากะตั้งแกงตั้งกก ญาติโยมเข้ามาคนไหนมีเงินมีทรัพย์สมบัติป่นจี้อะไรขึ้นมาทีนี้วงการพุทธศาสนาเละๆตุมเป๊ะไปเลยในช่วงนั้นเพราะเจตนาดีแต่ว่าไม่ได้มองให้ไกลกว่านั้นอีกคนชั่วเข้ามาบวชมันก็ชั่วอย่างเก่าเพราะไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขความประพฤติในใจของแต่ละคนใครว่าบวชจะพระมีตะผ้าเหลืองหัวโล้นท่า น, นเองแต่ใจของเขาไม่ได้บวช อันนี้ก็ทั้งที่จะส่งเสริมพุทธศาสน า, าให้เจริญกับทําลายพระพุทธศาสน า, าให้ย่อยยับลงไปอีกสิ่งเหล่านี้อาตมาเองขอฝากไว้กับญาติโยมทุกๆท่านทุกๆครั้งที่เอาลูกหลานเข้ามาบวชเออลูกหลานของเราคนนี้เป็นคนดีเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะต้องเป็นที่พึ่งของครอบครัวเมื่อบวชเข้ามาแล้วพ่อแม่กลามได้สนิทใจ ญาติพี่น้องกราบได้ด้วยความสนิทใจเพราะเป็นคนดีพอบวชเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นผลดีสําหรับตระกูลของพวกเราแล้วก็เข้ามาบวชมาบวชแล้วก็ศึกษาธรรมวินัยของพระพุทธเจา้าจากนั้นก็เป็นพระที่อยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ยึดหลักธรรมความถูกต้องเป็นที่มั่นยึดหลักเหตุผลเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองจิตใจก็จเจริญ เรื่อยๆขึ้นไปอันนี้คือทางที่ถูกต้องแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นเอาลูกหลานที่เหลือขอเอามาบวชพอบวชเสร็จแล้วตัวเองก็กราบไม่ลงขนาดพ่อแม่พี่น้องยังกราบไม่ลงแล้วจะให้คนอื่นกราบลงได้ยังไงแสดงว่าเอาคนชั่วเข้ามาอยู่ในวัดทั้งที่จะเกิดความเจริญในวัดวาศาสนาเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนากลับมาทําลายเสอีก สิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับทุกคนนะในเมื่อเอาลูกหลานเข้ามาเมื่อเห็นพระอะไรก็ตามในหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าหากว่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเราอย่าไปทำตำหนิอย่าไปดูถูกอย่าไปตำหนิพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าคนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามเอาคนชั่วเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนา เกิดความชั่วอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วพวกเราควรจะประ น, นามญาติพี่น้องพ่อแม่ของคนนาคคนนั้นพระองค์นั้นว่าทำไมเอาคนเลวเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาทำไมไม่กลั่นกรองให้ดีซยก่อนเราควรจะประ น, นามอย่างนั้นมันจึงจะถูกไม่ใช่ว่าจะประ น, นามพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ท่านดีอยู่แล้วสอนคนให้เป็นคนดีแต่ว่าคนที่เข้ามาบวชนเป็นคนไม่ดี อันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านที่มีลูกมีหลานหลวงพ่อนี่ได้คิดอย่างนี้ได้ให้แนวความคิดอย่างนี้ว่า ง, งั้นเถอะให้พวกเราทุกท่านบางทีอาจได้ยินไปอาจจะสะดุ้งสะดิดไม่พอใจแต่ว่าไปคิดดูให้ดีอันนี้คือเรารักษาหลักการรักษาพระพุทธศาสนาต้องปกป้องอย่างนั้นจะมีหลายหลายอย่าง ที่คนเข้ามาถามหลวงพ่ออย่างพระจักค่บาลอย่างเนี้ยอย่างพระองคุริมาณอย่างเนี้ยทำไมคนชั่วถึงขนาดนั้นจึงได้สำเร็จมรคนหลวงพ่อบอกว่าพระองคุริมาณถ้าศึกษาให้ดีแล้วไม่ใช่สันดานของท่านองคุริมาณเป็นลูกองค์ข้ามนตรีสมัยยุคสมัยนั้น่ะเป็นเด็กดีแต่ว่าในการรับการเสี่ยมสอนจากอาจารย์ ที่อยากจะฆ่าสิทว่างั้นเถอะก็เลยแนะนําให้เป็นโจรผู้ร้ายสันดานจริงๆขององค์คริมานั้นเป็นเด็กดีเป็นคนดีแต่ว่าได้รับการฝึกสอนที่ไม่ดีก็เลยทําให้เสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาหาถึงต้นตอของบุคคล น, นั้นเหตุผลมันเป็นมาอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะยึดเอาแต่แนวแถวข้างปลายเท่านั้นเราจงยึดดูถึงต้นตอของคนคนนั้นด้วย เพราะนั้นการศึกษาหรือการฟังเรื่องราวต่างๆก็ต า, ต, าตามเราก็ควรจะทบทวนดูให้ดีด้วยเหตุและผลนะ ไ, ไม่ใช่ว่าเราจะมองแต่ต้นมองแต่ปลายอย่างเดียวเป็นผลอย่างนี้แต่เหตุมนะะันเป็นมาอย่างไรเน่ยเพราะนั้นต้องมองเหตุมองผลมองให้ครบวงจรเหมือนกันเถอะอ่าอย่งค่อยมาวิเคราะห์ยังค่อยมาตาหนิค่อยมายกย่องเชิดโชว์นั้นะเอันนี้แปลว่า ผู้พร้อมด้วยเหตุและผลไม่ใช่ว่าได้ยินตู้มตา ม, มากัว่าไปตามเขาเหมือนกับมาเห่าไปต้องแห้งอย่างนั้นน่ะเข้าว่าย่างกับว่าไปตามเหตุผลไม่มีอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธต้องมีหลักมีเหตุมีผลเพราะหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนให้มีเหตุมีผลคิดทบทวนดูให้ดีนิสมมะกระนังไสโยใข้กวนซะก่อนทุกจรทุกอย่าง่ ให้มีการไข้ควรทบทวนก่อนอันนี้ถือแถวแนวความคิดนะวันนี้ก็ก่อนที่พวกเราจะบวชหลวงพ่อให้แนวความคิดแต่เมื่อวันนี้ถ้าว่าพวกเราฉันอาหารทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับแรกก็คือญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ก็คงจะตัดผมให้นาคนะตัดผมให้นาคเป็นพิธีตัดผมให้นาค เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วพระพี่เลี้ยงก็จะปลงผมให้นาค พอพองผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชุดขาวจากนั้นก็กอกใบสมัครบวชจากนั้นก็พระอุปชาคงจะมาถึงนะจากนั้นก็ขึ้นมาบนศาลาก็คงทําพิธีบวชคงใช้เวลาไม่นานเพราะบวชอง์เดียวนะก็ใช้เวลาประมาณอย่างมากชั่วโมงหนึ่งน่าจะเสร็จทุกอย่างนะอันนี้ก็คือเรื่องการบวชที่จะมีกิจกรรมในวันนี้ในพวกเราจะพูรับทราบว่าต่อนี้ไปพวกเราจะทําอะไรนะ ตอนนี้ไปก่อนหลวงพ่อจะอนุโมูลธนาให้พอรอ่ะรับพรนะทีนี้นะสรรคาวินิมติสรรพสันต